กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัชญะญมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้อุทเทศจบกายานุปั ส, สนาสติปัฏฐานกายานุปั ส, สนา การพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออกร้อยเจ็ิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่โคนไม้หรือที่เรือนว่างนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้า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 เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสําเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสําเนียกว่าเราระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุทั้งหลายช่างกลึงหรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความชนานาญ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 แห่งลมหายใจในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดลมหายใจเข้าออกจบกายานุปัสสนาหมวดอิริยาบถร้อยแปด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 ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละหมวดอิริยาบทจบกายานุปัสสนาหมวดสัมปชัญญะ109ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังขติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม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 นี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลือ ง, น, น, งนี้เป็นเมล็ดงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีห น, นังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่า ในกายนี้มีผมขนไขข้อมูดด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดสิ่งปฏิกูลจบ กายานุปัสนาหมวดาธาตุร1อภิกษสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกสุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นาธาตุว่าในกายนี้มีาธาตุดินธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมอยู่ภิกสุททั้งหลายคนฆ่าโครหรือ ลูกมือคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญคลั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใกล้สีแปง้งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นาธาตุว่าในกายนี้มีาธาตุดินาธาตุน้าธาตุไฟาธาตุลมอยู่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 ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกา ย, กายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกิน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 มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไระไรในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดป่าช้าเก้าหมดจบกายานุปัสนาสติปัฏฐานจบ เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน113ยิกษุทั้งหลายพิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อเสวยสุขเวทนาความรู้สึกสุข ก, ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา 2. เมื่อเสวยทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนา 3. เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกขไม่สุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 4. เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรห เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h หเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิ t h เเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h เมื me ่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรเเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรด้วยวิธีนี้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 จ, จิตตานุปัสนาสติปฐานร้อยสิบสี่ิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาสองจิตประสากราคา ก็รู scores, house, city, ้ชัดว ouais ่าจิตปราศจากราคะ3จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ4จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะ5จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ6จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะ7 จิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูแปจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่าน 9. จิตเป็นมหคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหัคตาสิจิตไม่เป็นมหคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคคตา1ิจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า